ตะกัดจบชีวิตของเราให้มันมีสองส่วนส่วนกายส่วนใจส่วนกายก็มีสุขภาพกายที่ดีการได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่ เกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ดูแลเอาไ้ใช้ทมหน้าที่ไว้นั่งไว้เดินไว้ยืนไว้นอนร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายปฏิเสธไม่ได้จิตใจของเรา ส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นส่วนที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตียิบเป็นพบเป็นภูมิต่างๆกินแล้วก็ทุกข์กินแล้วกสุขเป็นพบภูมิ คิดดีเป็นเทวดาคิดเมตตาเป็นพรมคิดรัชหลาดมีไหวพิปฏิพานต่างๆผ่านทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้มีกำลังของสติสมาธิปัญญามีศีลมีธรรมก็เป็นพระ ตัวส่วนใหญ่บุธิชนคนทั่วไปคิดล้วรอบคิดล้วกดคิดล้หลงกิดล้อิจฉาริษยามีไว้วิตกกังวลนอันนี้าทุตนก็จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกใจ ให้ตัวกระจางความคิดให้อยู่เหนืออารมณ์ตัวคิดก็เป็นจิตใจที่มีเหตุมีผลไม่เวียดเบียนตัวเองไม่เวียดเบียนผู้อื่นการปเป็นตามจริงเป็นส่วนที่สำคัญ ของชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตไม่เช่นนั้นความคิดก็จะมีพลังมีกำลังมีอำนาจมีทิพลทำให้ชีวิตของเรามันงอนเง่น่อนแนกนแลหลักการฝึกหัดจิต แนวหลวงปู้เทียนรูปแบบจะเป็นตัววัดจิตของเราจะคิดไปหาความสุขคิดไปหาความทุกข์คิดไปตามความอยากนิสัยความเคยชินเก่าๆยำคิดยำทำจนเกิดจริตเกิดนิสัย ก็ทำตามจริตทำตามนิสัยเห็นโลกไม่ตรงเพระาะไมได้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยความรู้รู้จนมีความจำนานาจะหลงไหลหลงลืมลืมเนื้อลืมตัว กระดาษลิสตมันวัดกดวัดต่างตามหลักของวิทยาศาสตร์เป็นรูปธรร ม, มตลับเม็ดวัดความยาวเป็นรูปธรรมเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตแต่ว่ารูปแบบนี้วัดเป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติ หรือว่าสองยบปรับพระการเคลื่อนไหวแต่ละขณะกระพริบตาหายใจท้องปองยุกเดินยุงกลมยกมือสิบสี่จังหวะเพื่อกำหนดจิตกำกับจิต mm hmm. ที่เคยไหลหลงลืมเนื้อลืมตัว mm hmm. จนจิตผิดปกติ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติของจิตทุกทุกระนาที่มีการสัมผัสในบาตรที่เคยฝึกมาก็จะเห็นว่าทุกครังที่สัมผัสกระทบรู้สึกมันก็คืนสู่ธรรมชาติเล็กๆในน้อยมันก็ยังส่งผลให้เราอยู่ได้แต่โยความคิดความคิดจะพาให้เราวิตกกังวล เศร้าหมองเกิดอากัสดต่างๆใจชีดด้วยความขาดขาดเกินเกินลุกลีลุกลนเร่งรีบเกิดความประมาท จรงเราก็เหนื่อยหน่ายจงเราก็สับสนจริงเราก็กังวลไม่ชัดเจนในการดำานงชีวิตไม่มั่นใจตัวเองหลายคนก็พูดอย่างนั้นทำอะไรก็ไม่มั่นใจตัวเองความสำเร็จก็เกิดได้ยาก ปัจจัย4ต่างๆในโลกนี้เราหยิบมาใช้ก็ใช้อย่างเป็นหนี้ใช้อย่างเป็นท่าแต่พอเราไปบัตรทมก็ใช้อย่างเป็นเจ้าของเกิดความองาอาจขึ้นมาทำอะไรก็ตามก็เกิดปร ะ, ยะโยชน์การคิดการพูดการกระทาต่างๆทุกๆขณะ รวม้างสารรรวมจันลง mm hmm. ให้โลกทั้งใบมันสงบเย็น mm hmm. อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นประโยชน์ตน mm hmm. แล้วก็อยู่คนอื่นได้ยังเป็นประโยชน์ท mm hmm. ่านทักษะสติก็จะอยู่กับตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวคอยจังหวะ mm hmm. เห็นแก่ตัว จะอยู่ในโลกได้ยากจะนั่งเดินยืนนอนทำอะไรก็ตามเราจะลืมคนหมู่มากอันนี้จะกลายเป็นคนขี้เกียดขี้กาะปกปิดซ่อนเล้นเปียกแชเนาในการเปียกทมจึงเป็นเรื่องเฉพาะหน้า มนุษย์ผู้ปรารถนาแก่ยังเป็นธรรมชาติเจ็บยังเป็นธรรมชาติตายอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อเกิดเนือแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อวตัตะสงสารหรือว่าสิ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์อย่างที่เราไดเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกับองค์สมเด็จพระศาสดานี เห็นความแก่เราไม่แก่จะได้ไหมเห็นความเจ็บเราไม่เจ็บจะได้ไหมเห็นความตายเราไม่ตายจะได้ไหมเห็นสมณะมันมีทางออกความสงบที่เป็นความสงบแบบตื่นรู้ สงบจากกิเลสมันไม่ใช่สงบนิ่งแช่เฉยเนือยมันเป็นความสงบแต่ว่ามีพลังอยู่ในความสงบเป็นความสงบที่สยบโง่ความโง่ความงาามงงง่ายไร้สาระเชื่อมงคนตื่นกล่าว มันกลับเป็นการตื่นรู้แจ้งแทงทะลุในเหตุปัจจัยต่างๆเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกก้าวล่วงออกจากความทุกข์ทุกกายก็ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขฉีดนม อ, อมทาผ่าตัดหาหมอไปโรงพยาบาลให้ผู้รู้ทางกายวิภาควิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ได้ดูแลเรา กรรมวิธีในการรักษาต่างๆมากมายเต็มโลกซึ่งก็ยังถกเถียงกันไม่จบว่าของใครดีของใครไม่ดีอีกฝ่ายเห็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายก็เห็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งมีทั้งก็ดีมีทั้งก็งเสียทั้งหมดวิธีของจิตมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันรูปแบบการปฏิบัติ ก็มีมากมายการวิธีทำให้เกิดปัญญาสูงสุดปัญญาพุทธปัญญาภาวนาจิตตาภาวนาก็มีรูปแบบต่างๆมากมายเต็มโลกอย่างที่นี่เราก็รู้กันดี mm. การเคลื่อนมือ14บสียันใบถือเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่เราจะปฏิเสธไม่ได้มีหลักการมีเหตุมีผล ป่วยใช้ยาป่วยกายจะป่วยใจต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็เกิดปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเผชิญกับอารมณ์ทวนอารมณ์เช่นปฏิบัติแล้วเกิดความง่วงก็ต้องทวนความง่วงแวกออกนี่วาลธรรม เกิดความลังเลสงสัยไม่ปร่งใจในการฏิบัติไม่ทุ่มเทใช้เวลาการปฏิบัติทุกๆขณะลืมเนื้อลืมตัวกลองทวนขยันรู้ขยันภาวนากลับมาหากายนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดิน จะขยับขับเคลื่อนส่วนไหนทั้งความเป็นเองทั้งเจตนากระทำเราก็ตามรู้ตามลักษณะอาการของกายเพื่อเห็นชัดเจนว่ากายไม่ใช่กูกายไม่ใช่กายเรากายก็มีธรรมชาติของกายมีเหตุปัจจัยของกาย มีสัญญาณภัยของกายที่จะนำลงรักษาให้รูปกันนี่ดำรงอยู่ได้มีการประชุมกันแต่พอดีของท่าต่างๆถาดน้ำทาดไฟท่านดินท่านลมมันก็จะเกิดปัญญาภาวนาเห็นแทงทะลุเห็นเวทนาสัญญาณภัยที่เกิดกับกายนั่งก็เจ็บก็ปวดอากาศหนาวก็ทุก์เจ็บคอไอ ไม่สบายร่างกายเป็นรังของโรคปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีโรคอยู่ในตัวทั้งหมดอย่างตอนนี้ทุกคนเป็นมะเร็งทั้งหมดนั่นแหละเป็น T ีบเป็นวัณโรคทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครสักคนหรอกไม่ได้เป็นแต่เพียงแค่ภูมิต้านทานภูมิต้านทานแข็งแรง เราเยพอที่จะป้าคลองธาตขันใช้ชีวิตไปได้ผ่านไปอีกวันนึงอีกวันหนึ่งไม่ใช่ให้แก่ฟรีๆเจ็บฟรีๆตาย ฟ, ฟรีๆอาการของกายทุกเวันนของกายเนี่ยมาหนดรู้จนเห็นเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนใช้ชีวิตอย่าง ไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายจะแตกดับตอนไหนเราก็ต้องใช้คุณธรรมต่างๆดูแลรักษาประกบะกองกายเหมือนพ่วงแพรพร้อมที่จะแตกได้ทันทีทันใดแค่ลมหายใจหยุด จิตใจก็มีอาการต่างๆส่วนใหญ่ก็เกิดจากการคิดทั้งหมดนวิธีการหลวงปู่เทียนจึงสรุปคืนสู่สาภาวะความเป็นปกติให้กับจิตกับใจของเราร่างกายดูแลรักษานี่ยากดูแลขนาดไหนรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย ชีวิตเรารักษาได้โครคภัยแคเจ็บแต่ความตายหยุดยั้งก็ไม่ได้ mm hmm. วันเวลาผ่านไปก็ไหลไปสู่ความตาย mm hmm. แต่จิตนี่ได้ฝึกจิต mm hmm. อยากมีบุญ mm hmm. ก็คิดดีอยากมีปัญญา mm hmm. ก็เติมสติเข้าไป เมื่อเราฝึกความรู้สึกตัวมีสติเมื่อเรารู้สึกตัวมีสติก็ต้องมีศีลสติเลิกรู้สติปฐานเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดทำให้คุณธรรมเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาทั้งหมดเป็นพ่อแม่ของกุศลก็ว่าได้เมื่อเราฝึกความรู้สึกตัวมีสติเราก็เห็น กระวการรักษาจิตกลไกของการรักษาจิตซึ่งมันมีอยู่แล้วมันก็แสดงตัวออกมาชัดเจนจิตเติมแท้ที่พระพสอนป่องใสแต่ว่ามันมีนะการคิดการปรุงกันแต่งเกิดขึ้นมาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาบทบัง ทำให้เราเสียประโยชน์เสียโอกาสกับการเข้าถึงสภาวะของความไม่ทุกข์ความเป็นปกติของจิตส่วนมีอยู่ตลอดเวลาเราก็จึงนี่แหละฝึกให้มีความรู้สึกตัวให้สติปฐานสติที่กลับมาแนวกับไกล กับจิตกับใจในทุกๆขณะที่เกิดอาการรู้เท่ารู้ทันคิดปับรู้ทันทีเมื่อเกิดความเป็นโปรติทันทีทันใดเหมือนกันละเป็นผลเราก็รู้แล้วรู้อีกยิ่งฝึกเราจะเห็นความคล่องตัวว่องไว ฝึกได้จิตฝึกได้เราเกิดเป็นคนจากคนเลื่อนชั้นเป็นกัลยาณ์นออกปุถุชนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระมันมีกำลังกพร้อมที่จะทำดีกับโลกคับคนที่อยู่รอบตัววัตถุสิ่งของหนึ่งสามสี่ มันพร้อมหรือว่าการดูแลจิตใจของเราการป้องกันมันดีกว่ารักษาถ้าปล่อยจิตใจเสียศูนย์หายนก็ต้องโดนะไปอยู่กรมสุขภาพจิตไปให้จิตแพทย์บำบัดนะก็คือไม่เคยรู้จริงๆว่าพุ้สัตหนาเขาสอนอะไร ถ้าเราเกิดเป็นชาวพุทธตามสมนาะตะเบียนบ้านนะเป็นผู้ที่มีบรรยาธิการมีวาสนาพอมันก็คงไม่อยู่แค่การทำบุญทำทานมันต้องพัฒนานเหนือมามันไม่อยู่แค่ทำดีให้กับโลกอย่างเดียวจนติดดีหลงดีทุกข์ก็ทำความดี มันจะต้องกลับมาพาตัวเองนี่แหละทําบุญกับตัวเองเนี่แหละทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันเป็นบุญเป็นบุญที่เหนือบุญเป็นบุญที่สูงสุดเพาเป็นบุญที่เกิดจากภาวนาขึ้นมาเกิดมาทุกคนก็พยายามใช้บุญเก่ารอโชคชะตารอความราบจงเกิดความโลภแย่งชิงแข่งขัน เอาลัเอาเปรียบแต่ผู้ที่เจริญสติภาวนาเนี่ยมันเป็นอดีเลกราบอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่รู้สึกตัววิธีของชีวิตก็พลิกผันไปทันทีทันใดจากทุกเป็นไม่ทุกจากโกรธเป็นไม่โกรธจากผิดป ก, ป, กปกติเป็นปกติขึ้นมาจากไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาทุกครั้ง ฝึกได้จิตของเราพอดูไปดูมาพอฝึกได้มันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ใช้ก็ได้ทําหน้าที่จิตก็เจตนาคิดลงไปเจตนาพูดลงไปเจตนาธรรมลงไปเมื่อทําได้ตรงถูกต้องตามหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันก็บอกทันทีนะทุกครั้งที่เราเคลื่อนมือรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ใครจะหลอกเราได้ใครจะโกหกเราได้เพราะว่าพุทธศาสนาได้ชี้นำได้ตรงก็ถูกต้อ ง, งแล้วเช่นการเคลื่อนมือแต่และจังหวะมัานาจะไม่ถูกยังไงในหมวดสัญญาภัพภาก็บอกอยู่ทนโทษการเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเรียกว่าเดินจงกลม การคู่เหยียดยังมีสติกันเนี้ยสิบี่จังหวะเนี่ยแหละจะกินจะขับถ่ายมันได้ฝึกกายฝึกจิต ท, ทั้งหมดอาหารกายก็เป็นอาหารใจขณะที่เรากบฉันรับประทานอาหารเราได้เกาลินกะลาอาหารลงไปมันก็ยังได้ภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารบิน ญ, ญาณอาหารด้วยเป็นตัวสติสัมัญ ญ, ญา กินไม่ถูกต้องไม่ได้ปัจเวกไม่ได้พิจารณาเอารสชาติของความเมล็ดอร่อย <Yeah. S 1> ไม่ได้กําหนดรู้อยู่เป็นนิด <Yeah. S 1> อาหารนั้นกลับมาสังหารเราแทนที่จะกินแล้วเกิดคุณค่าก็ฆ่าคุณลงไปตรงๆ <Yeah. S 1> เป็นพิษ <Yeah. S 1> รสฝาดแทนที่จะสมาน <Yeah. S 1> อาหารรสฝาดเกิดประโยชน์สมานอักเสบ หวานมากๆผักเมคกย่กลายเป็นนิ้วไปเลยหวานซาบเนื้อรสหวานทำห้เกิดพลังงานขึ้นมาเป็นกูโคสแต่กินไม่พิจารณาท้ายสุดกันอนน้ำตาลเกินเกิดโรคภตใกล้เจ็บสารพัดขึ้นมาลองถ้าความหวานมันซึมซาบไปทุกอโนนะมันก็เป็นเบาหวานขั้นรุนแรงแล้วล่ะ เราก็เลยเห็นว่าเออถ้าเาามีการพิจารณาจะทําอะไรก็ตามมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นแต่การที่จะคิดเป็นเนี่ก็ต้องประกอบ ด, ด้วยสติเป็นการคิดที่ประกอบ ด, ด้วยสติเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่มิจฉาสติไม่ใช่สติระดับที่เรียกว่าสัญชาตญาณชาวพุทธตามสำเนาทะเบียนบ้านที่ได้มีโอกาสเข้าถึง ประโสูงสุดคุณค่าสูงสุดของความเป็นชาวพุทธเนี้ยต้องรู้สึกตัวจึงเป็นการทําบุญให้กับตัวเองโดยไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอจังหวะทําดีไม่ต้องเลือกชุดปฏิบัติก็ไม่ต้องเลือกชุดจะชุ ด, ชดไหนก็ได้ในทุกๆ ก, กิจกรรมนะก็จึงนี่แหละนะ สอง ร, อสร้อยชีวิตขนานี้อยู่กันในวัดเรามาทําวัดกันขนาดนี้บางคนก็นมาล้างสางพิษบางคนก็เป็นกิจวัตรประจํำวันของเราอยู่แล้วอยู่วัดชุมชนชาววัดก็อยู่กันแบบวัดวั ด, วดตื่นเช้ามาจะทําวัดสวดมนต์ในขณะที่หลายคนกําลังหลับไหลเราก็ตื่นมาหายใจตอนตีสองตีสาม ยิ่งทำวัดเสดมันสาทะยายนหายใจเข้าหายใจออกเป็นการบริหารปอดทางการแพทย์แผนจีนก็ถือว่าถูกต้องแล้วตื่นทีสามหายใจให้ปอดได้ทำงานอายุยืนทางด้านชาวพุทธก็เชื่อว่ายามสามองสมเด็จสามมาสมเจ้า บรรลุอตรัตสัมมาสัมโพธิญาณเกิดอาสาวัคคยายนขึ้นมาหลังตีสามถึงหโมงเช้าทำให้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แล้วบวกบอกต่อเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธรู้แล้วไม่ได้เก็บนำาอื่มกลื่อ ม, มาไว้เปิดเอาไว้ให้มนุษยชาติได้สั่น คลอนสะเทือนเคยมีนิจัยอย่างไรความเชื่ออย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรให้สันสะเทือนเปิดตัวเปิดใจรับแง่คิดมุมมองจะเป็นวิธีคิดแบบวิธีพุทธจะเกิดการยอมรับต่างๆในกลุ่มต่างๆบุคคลต่างๆลัทธิต่างๆ ยุคนี้เป็นยุคที่ <c oughs> การพูดถึงการมารุธรรมหรือว่าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา <c oughs> เปิดกว้างกจ็จะเป็นอวกาศของคนยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ไปาสารเปรียบเทียบไปดีนะที่ ทับมิงขวัญจังหวัดเลยในงานชาตการร้อยปีหลวงปู่เทียนพูดถึงว่าพ่อแม่ครูบาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนต้นน้ำตาน้ำที่อยู่ต้นน้ำน้อยน้ำไหลน้อยแต่ว่าใสเป็นความบริสุทธิ์แต่ว่าปัจจุบันนี้มีการแพร่หลายเผยแพร่ ให้คนหมู่มากได้ประโยชน์ก็เปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลมาจากตาน้ำเป็นลาธารเป็นลาคลองเป็นแม่น้ำคนที่อยู่ปลายแม่น้ำก็ได้ประโยชน์มากแต่ว่ามันโสกปรกมันขุนแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากการบริโภคก็หมายถึงว่าถ้าเวิต้มไปกันไปกลอง เราก็จะได้น้ำใสๆนั่นแหละใ น, ะนะจำนวนน้อยๆก็เป็นประโยชน์นกับผู้ที่บริโภคเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องกันกรองอย่าเชื่อแบบโง่หลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาหัวปักหัวปําก็ต้องกันกรองคิดพิจารณาเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดมาปฏิบัติ อันเนี้ยมีศรัทธามีปัญญาทำอะไรก็มีความขยันบวชสมาธิตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำลงไปเกิดสติแลยรู้อยู่รูปแบบการฝึกหัดสิบสีจังหวะแบบแนวหลวงปู่เทียนจิตโพเนะ่มันก็คือคำตอบแล้วล่ะ สำหรับชาวพุทธที่ต้องการพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดโดวยเพาะในปัจจุบันชาตินีน้ก็เป็นสองมุมก็คือสุขภาพกายและสุขภาพจิตการรักษานี่ยากกว่าการได้มาการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากกว่าจะได้ชีวิตมนุษย์มาแต่มาเกิดเป็นมนุษย์การรักษานี่ยากกว่า เราก็ได้เห็นว่าคนที่ล้มหายตายศูนย์อายุไม่ยื น, นก็มีมากเหลือเกินในสังคมของยุคปัจจุบันคนที่อายุยืนก็มีมากเหลือเกินคนชราภาพคนแก่จนบางทีเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในบางประเทศต้องเสียงเงินงบประมาณดูแลคนที่แก่ชราภาพและเป็นคนแก่ที่เควงคว้างไม่มีหลักของศาสนาเลย มีแต่สุขพอแก่ชราภาพาก็มีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความเป็นปกติเลยของจิตของใจสงบเย็นเป็นลมโพล่ลมไสลูกหลานกําลังเกลียดจุกจิกจูนจี้เป็นคนแก่แบบชาวพุทธนี่จะเป็นเงินแก่ที่น่ารักเป็นคนแก่ที่พูดเพราะเป็นคนแก่ที่ลูกหลานเข้าใกล้และได้ประโยชน์น เราก็จึงมาอยู่ไปวันๆหนึงให้แก่ไปฟรีๆจิตใจที่ใช้มาขนาดไหนก็ตามตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าไม่ได้ฝึกมันก็มีแต่ความคิดที่พาเราทุกคืนก็ฝันก็วันก็คิดนอนไม่หลับปัจจุบนนเรารู้แล้วล่ะวิธีรักษาจิตของเราซึ่งมันยากอยู่เราพยายามที่จะรู้สึกตัวมันก็พยายามที่จะคิดอยู่นั่นแหะ เราก็รักษาจนทำมาเป็นนิสัยตื่นจะหลับนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวในแต่ละขณะจนมาแสดงอา น, นิสงส์งขึ้นมาเป็นพลังของสติสมาธิปัญญาเวลามีปัญหามีอาการของกายของจิตมันก็รู้เท่ารู้ทันทันทีสามารถทจะทําหน้าที่ของกันและกันโดยไม่เบียดเบียน ทุกกายกเป็นเรื่องของกายจิตไม่ต้องทุกข์ก็ได้ทุกจิตทุกใจเป็นเรื่องของจิตกายไม่ต้องทุกข์ด้วยก็ได้อาการต่างๆก็โยนคืนให้กับกฎของพระไตรลักษณ์ทุกการเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปจนท้ายสุดเห็นเป็นธรรมชาติจิตอาการต่างๆม่าใช้ได้ตรงตามหน้าที่ฐานะอาฐานะ จึงเป็นคุณค่าเราต้องร่วมกันแล้วก็บอกต่อให้คนได้ประโยชน์สูงสุดโลกนี้จะได้หน้าอยู่หลักศาสนาวิธีกา ร, ารปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติก็จะไม่ได้หายศูนย์แล้วก็ทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุด แล้วเห็นว่าสมควรกันเวลากับพรพร้อมกัน